ให้นั่งสมาธิไปด้วยฟังธรรมไปด้วยแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังพอจำเนื้อหาได้เนี่ยในตอนท้า ย, ายเราก็มีการยกตัวอย่างเปรเยบเปยเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยของคนที่ต้องการจะทำความเพียรที่ว่าด้วยไม้ที่มันมียาง แล้วก็จุ่มน้ำวันนี้เราก็จะเอามาทำให้มันชัดเจนขึ้นสัหน่อยหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการทำความเปลี่ยนเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเรากันสักนิดหนึ่งก่อนนะก็อยากจะย้ำท่านผู้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันสุขทุกเนี่ยมนันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากกว่าเงินทองนะ เงินทองเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เครื่องนํามาซึ่งความสุขได้บางส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะท่านผู้ฟังฉะนั้นการที่บางคนเนี่ยอาจจะมีความเห็นมีตัรจะที่ว่าเราต้องมีเงินมากๆเราต้องร่ํารวยเราก็จะมีความสุขซึ่งอยากจะถามท่านฟังให้ทบทวนดูสันิดหนึ่งว่า กานที่เรามีเงินมากมีความร่ำรวยเนี่ยมันมีความสุขจริงอย่างนั้น 100% หรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าคนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีคนที่เขาจะเป็นร่ำรวยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เห็นเขามีความสุขแบบฉาบฉวยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราได้ลองไปเข้า อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้ของกินที่มันมีอย่างประหนี่หรือที่อยู่ที่ดีอย่างประณนีเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นการนำพาความสุขมาให้เขาได้อยู่ตลอดเวลาเวลาเราเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละ มีความเบื่อเศร้าเหงาเซงได้มีความหงุดหงิดมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจเนื่องจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่ฟังสิ่งที่สัมผัสได้เหมือนกันไม่ต่างจากเราหรอกทำมาฟังความขัดเคืองใจอยากได้และไม่ได้มันก็มีเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่เรามีเงินทองมากๆเนี่ยเราจะมีความสุขเสมอไป ถ้าในทำนองกลับกันเนี่ยคนที่เขามีเงินปันกลางปัจจัยสี่ไม่ได้ขัดสนแล้วเขาก็มีความสุขกับครอบครัวมีความรักสมัครสมานกับเพื่อนฝูงอย่างดีแน่นอนเลยว่าเขาก็ต้องมีความสุขมากกว่าคนร่ำรวยที่มีตักกะว่าเงินจะนำมาซึ่งความสุขเงินซื้อความสุข ต้องมีความสุขมากกว่าคนแบบนี้แน่นอนทีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือคนที่มีฐานะปานกลางเนี่ยถ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกเพื่อความสุขที่มันมีมากขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือก็ต้อง มีปัจจัยสี่ที่มันเป็นพื้นฐานระดับหนึ่งนะท่านผู้ฟังการที่เรามีปัจจัยสี่ที่มันไม่ขัดสนเนี่ยมันก็ทำให้เราเอื้อในการปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นมาอีกถ้าเราลองคิดดูว่าเรายังต้องมีหนี้แล้วเราก็ยังต้องวิ่งหาเงินทางโน้นหาเงินทางนี้มาจ่ายหนี้อย่างนี้บ้านก็ติดจำนองเขาก็จะมายืด เหล่านี้ป่วยไข้อีกศักยภาพในการหาเงินเพื่อจะมาหาปัจจัยสี่เนี่ยก็ลดลงอีกคนประเภทแบบนี้เนี่ยหัวสมองเนี่ยมันจะต้องไปจดจ่ออยู่กับการที่ว่าเราจะใช้นี่ยังไงเราจะทำยังไงให้แก้ปัญหาภายนอกเหล่านี้ไปได้ไอการนี้เขาจะมีใจมาทำความสงบให้มัน มีความเยือกเย็นอยู่ในจิตใจมีความสุขภายในจิตใจเนี่ยมันค่อนข้างยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาวะภายนอกเนี่ยมันก็กดดันบีบคั้นเหลือเกินถ้าเลือกที่จ ะ, จะมานั่งภาวนาหรือหว่าหาเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาคงไม่คิดจะไปปฏิบัติธรรมแน่ น, นอนแหละก็ต้องคิดแต่ว่าเออเราจะหาเงินมายังไงอย่างนี้เปน็นต้นซึ่งถ้าเรา มีปัจจัย4ี่ที่มันบริบูรณ์นะเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องที่จะต้องมาหาอยู่หากินมากละแล้วเราก็มีเวลาที่เราจะแบ่งใจแบ่งความคิดมาหาความสงบในจิตใจมาหาความสุขสงบทางด้านจิตใจเพิ่มเติมแต่แน่นอนการที่เรามีปัจจัย4ี่ที่มันบริบูรณ์แล้วเนี่ย บริบูรณ์ตามสถานะของตนของตนนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีเท่ากันทุกคนแต่การที่เรามีปัจจัยสีบริบูรณ์ตามฐานะของตนของตนแล้วเนี่ยบางคนก็แน่นอน ม, นมันมีเรื่องวุ่นวายอะ่ะบางคนมีแฟนเลิกกับแฟนมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งใช่บางคนต้องการมีความสำเร็จในชีวิตอยากมีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออ กดดันในชีวิตเราจะต้องทำให้ได้ตามเป้าอย่างนี้อย่างนี้หรือเราครบกับคนนั้นคบกับคนนี้แล้วเราก็ทะเลาะเบาแววงกับคนรอบข้างหรือป่วยไข้หรือคนรอบข้างป่วยไข้เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่มันมากระทบกระเสือนจิตใจนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราสโคบลงมาให้แคบลงมาสักนิดหนึ่งนะกันที่เรามี ต ก, กะเนี่ยว่าชีวิตเราจะต้องมีคู่เราถึงจะมีความสุขในชีวิตที่มันบริบูรณ์เนี่ยถ้าเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะถามว่ามันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เรื่องคู่คือการใช้สอยของใช้ของกินของอยู่ในชีวิตประจาวันของเราเราต้องใช้ของแบรนด์แบบนี้เราต้องกินของยี่ห้อนี้อย่างนี้มันจะได้ รู้สึกว่าเออมันเป็นความสุขในชีวิตของเราหรือเราจะไปเที่ยวตามประเทศปีละครั้งหรือปีละสองครั้งเพื่อที่จะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือวิธีหาความสุขของเราเราก็เลยอยากจะถามว่าไม่ว่าเราจะต้องมีคู่ก็ดีหรือของใช้จะต้องแบรนด์นั้นแบรนดน์นี้ของกินต้องเป็นเจ้านั้นเจ้านี้เพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุข หรือเราจะต้องไปประเทศนั้นประเทศนี้เราจึงจะมีความสุขมันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะให้ใจกลางกลางสนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่หาความสุขในชีวิตแบบนั้นอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสุขได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ของแบรนด์เนมไม่ต้องกินของตามที่ เฮโลกันไปว่าเออเจ้านั้นดีเจ้านี้ดีแพงแบบนี้แบบนั้นแล้วมันดีหรือเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศเราถึงจะมีความสุขมันจริงไหมแล้วเราหาความสุขโดยที่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นได้ไหมถ้ามันได้เนี่ยแสดงว่าไอ้ความสุขที่เราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็ดีไปใช้ของแบรนด์เนมก็ดีหรือเราจะต้องมีคู่คู่กับคนนั้นคู่กับคนนี้จดจงคนนั้นคนนี้เนี่ย มันก็ไม่จริงเสมอไปใช่ไหมท่านฟังเพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีความเห็นว่าเออมันไม่จําเป็นคือพูดง่ายไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงมากอย่างเงี้ยมันก็ง่ายแต่สำหรับคนที่ยังติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ทบทวนให้มากๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันจะเป็นตัวชี้วัดเนี่ย ก็คือความสุขความทุกข์ในชีวิตเราใช่ไหมแล้วทีนี้อย่างบางคนเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าชีวิตฉันก็มีความสุขดีแต่มันก็มีความทุกข์อยู่ปนอยู่ฉันก็อยากที่จะลดทอนความทุกข์ในชีวิตอย่างเช่นเออฉันจะทำยังไงกับที่ทำงานดีที่ทำงานทางานก็เครียดแต่ฉันก็ยังอยากจะคลายเครียดโดยการไปเที่ยวตามประเทศบ้าง ไปกินของร้านนั้นร้านนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นคือการที่เราจะแก้ปัญหาโดยโดยปกตินะ่มันก็มีอยู่2วิธีนั่นแหละใหญ่ห่วิธีแรกก็คือแก้ปัญหาโดยการใช้กามมาเป็นวิธีแก้โดยการที่เราหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจมาทดแทนมาเติมเต็มให้กับจิตใจของเรา ให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับอารมณ์ที่น่าพอใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ม, มันก็มีความสุขแต่แน่นอนมันไม่ได้ทำให้เราเป็นเจ็ดเด็กขาดในการแก้ไขปัญหากเกี่ยวกับความทุกข์ไปได้เราแค่เอาความสุขมาบทบงังความทุกข์ที่เรามีแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะลองอีกวิธีหนึ่งอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่ว่าก็คือวิธีที่เราเอาใจเนี่ยนะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ให้เรามาหาความสุขที่ได้จากการห่างไกลการสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขในภายในเป็นความสุขอยู่ในทางด้านจิตใจที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าพูดภาพให้มันดูเป็นวิชาการอันหนึ่งก็คือว่าความสุขที่ได้แบบแรกก็คือความสุขที่ได้จากกาม ความสุขในแบบหลังก็คือความสุขที่หลีกออกจากกามก็มี2วิธีใหญ่ๆแบบนี้แต่ทีนี้คนส่วนมากเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะได้ลองวิธีที่หาความสุขจากความสงบระงับจากกามแต่เราเองก็อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ลองนะลองเลยเอาความสุขที่ได้จากการหลีกออกจากกามเนี่ยทําให้มันได้ทําให้มันดีทําให้มันชํานาญเพื่อที่จะ ให้ความสุขในใจของเรามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันจะได้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยแหละว่าเออความสุขเนี่ยถ้าเราทาดีทาชำนานาญแล้วเนี่ยไอหลอดค่าพลังที่มันได้ความสุขทางใจจากการหลีกออกจากกามแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าง่ายกว่าความสุขที่เราจะต้องไปพึ่งกามมีไปเที่ยวต่างประเทศมีไปกินของร้านนั้นไปดูหนังที่นี่ หรือใช้ของแบรนด์เนมแบบนี้แบบนั้นตามสมมติค่านิยมของสังคมนะทีนี้การที่เราจะทำความสุขประเภทที่เรียกว่าหลีกออกจากกามเนี่ยให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีตั้งใฟังก็วกกลับเข้ามาตรงที่ว่าอย่างพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยก็ทรงได้นิมิต ได้อุปมาสามข้อในการที่จะคือการที่เราจะทำยังไงแล้วเนี่ยให้มันได้ผลดีเนี่ยพระองค์ก็ได้เงินไขสามแบบสามอย่างซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็คือท่านก็อุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ำถ้าเราต้องการเอาไม้อันเนี้ยไม้สดชุ่มด้วยยางอันเนี้ย มาสีสีปั่นให้มันเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยทำให้ตายยังไงมันก็ให้เกิดไฟไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยมันเปรียบได้ยังไงมันเปรียบได้กับว่าไม้สดชุ่มด้วยอย่างนี่ก็คือการที่เราเนี่ยนะยังมีใจมีเยื่อใยมีความเพลินมีความยินดีอยู่กับกามท่านผู้ฟังพูดยังไงคือมีใจ ที่ยังอยากจะเสพกามมีความมัวเมาในกามใช้คําว่ามัวเมาเลยนะคือยังไงมันก็ต้องใช้กามนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ในลักษณะที่เป็นเป็นชุ่มด้วยยางเนี่ยก็คือมัวเมาไงในแบบปัจจุบันนี่แหละที่เราก็มัวเมาเพลิดเพลินความสุขนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มีความเย้า ย, ายยินดีในกามแล้วก็ที่มันแย่ลงไปก็คือ แช่ลงในน้ำเนี่ยแช่ลงในน้ำก็คืออะไรคือการที่เรายังคลุกคลีอยู่ในกามเรายังมัวเมาอยู่ในกามอันนั้นด้วยนอกจากภายในแล้วเนี่ยภายนอกเราก็เอาด้วยทั้งภายในภายนอกเลยมีความคลุกคลีอยู่ในกามมีความมัวเมามีความเพลิดเพลินอยู่ในกามซึ่งถ้าเป็นบุคคลลักษณะอย่างนี้เนี่ย นั่นก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเราสีไฟเนี่ยก็คือเราทําความเพียปรปฏิบัติทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยากที่จะให้เกิดไฟก็คือยากที่จะให้ผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากซึ่งเคสเนี่ยมันจะเหมือนกับคนทั่วไปที่ว่าเวลาที่เราจะหาความสุขเนี่ยเราก็ยังนิยม ช, มชมชอบในการที่จะแก้ปัญหาโดยการ หาความสุขมากลบความทุกข์แล้วก็ยังมีความคิดว่าเออแล้วงั้นเออปฏิบัติธรรมก็ดีนะเรามาปฏิบัติธรรมด้วยแต่ใจเราเนี่ยหรือพฤติกรรมของใจพฤติกรรมทางร่างกายพฤติกรรมกิจวัตรประจําวันเนี่ยก็ยังพูดง่ายแบ่งปันเวลาไปอยู่กับการสมรัครไปดูหนังฟังเพลงไป กินอาหารด้านนั้นไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้หรือว่าต้องอยากจะไปซื้อของใช้ก็ต้องแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรู้สึกว่าเราจะไม่น้อยหน้าคนอื่นนะไม่ได้ใช้ของเพื่อตอบสนองการใช้งานแหละมันต้องตอบสนองอารมณ์ในใจด้วยว่าเร่เราจะต้องโก็ต้องรู้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือ บุคคลที่ยังมีความเย่อยญ่มีความยินดีอย่างนี้ปฏิประพฤติปฏิบัติตนแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะหาความสุขทางใจได้ยากแต่ยากนะถามว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่มันได้ยากทํา น, นานๆถึงจะได้สักผลสักทีหนึ่งพูดง่ายๆมันยากไงท่านฝู้งแต่การที่เราจะปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือก็เป็นเคสที่สองก็คือว่า เอาไม้สดที่ชุ่มตัว ย, ยางเนี้ยเอาออกมาจากน้ําด้วยยกออกมาจากน้ำคุยไงก็คือไม่ได้แช่น้ำนะแล้วเราก็พยายามมาสีไฟเนี่ยทำให้ไฟมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่แน่นอนมันก็ยากทําให้ไฟเกิดไม่ได้ล่ะท่านฟังบุคคลประเภทที่สองเนี่ยมันก็เปรียบได้กับคนที่เห็นโทษแล้วนะเห็นโทษของจามมี มีความคิดที่หลีกออกจากกามมีความคิดที่เราจะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีพฤติกรรมที่เราหลีกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังไงบ้างก็คือก็เหมือนกับคนที่รู้สึกว่าเออเราต้องไปหาทาความสงบแล้วล่ะแล้วเราก็อย่างเช่นคนที่ไปปฏิบัติธรรมน่แหละ 3วัน5วัน7วันไปหลีกเล้นปฏิบัติธรรมพอกลับมาแล้วเราก็เห็นโทษของกามอยู่แล้วเราก็แบบว่าอืมความสุขทางใจมันดีนะการที่เราเข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นแล้วความมีแก่นสารมีสาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยตามสมมุติแบบเก่าๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรมากเราก็ใช้มันในแบบที่เป็นของใช้แต่ไม่จาเป็นจะต้อง ต้องอันนี้ต้องอันนั้นต้องแบรนดน์นี้ต้องแบรนด์นั้นก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวตามประเทศก็ได้เที่ยวในประเทศก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคือก็รู้จักใช้กราร ม, มากขึ้นนั่นแหละท่านผู้าาฟังคือใช้กรารในลักษณะที่เราไม่ยึดติดเท่าแต่เก่าและทีนี้เป็นยังไงก็คือหลีออกจากกามแล้วแน่นอนเหมือนเอาไม้แลออกจาก้ํา คอนดิชันมันก็ดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นการทำความสงบเนี่ยมันก็ทำได้ดีขึ้นมีความสงบทางใจได้ดีขึ้นแต่มีแต่นะแต่บุคคลประเภทนี้นี่ยังมีความยินดีมีความยึดติดอยู่ในใจถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกพฤติกรรมเนี่ยจะเริ่มที่จะไม่ไม่เป็นแบบเก่าแล้วก็คือไม่ต้องแบรนด์นั้นไม่ต้องแบรนด์นี้ก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ได้ แล้วก็รู้จักที่จะเออหลีกเลนออกมาหาความสงบทางใจแต่พอ น, น, นานๆเข้านี่นะมันก็จะแบบเออใจที่มันยังรู้สึกมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความยินดีในกลามเนี่ยอันเนี้ยใจมัน ย, ยังยินดีอยู่มันยังไม่ปล่อยพอมันไม่ปล่อยผูดง่ายเห็นแต่โทษภายนอกรู้จักว่าเราจะจากัดมันน่ะ ไม่ให้มันมากเกินไปมันจะไม่พอมันไม่พอดีมันก็เกิดทุกข์เกิดทั่วใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราต้องการของแบรนด์เนมแล้วเราไม่มีตังค์เอยากได้มากๆเราก็ต้องบางคนก็ไปกู้นี้ยืมสินมาใช่ไหมอันนี้เป็นเคสแบบแหลแต่อันนี้สำหรับเคสที่สองเนี่ยมันก็ยังแบบอยากได้ไงแต่ถ้าเรามีตังค์ ม, มีตังค์เราก็ซื้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความอยากได้มันก็มีมาก พุ้ยไงความอยากได้นี้ก็คือความยึดติดความมัวเมาอยู่ในกามอยู่แล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ได้ผลได้แต่ถามว่ามันจะได้ดีขนาดไหนมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไงแต่แน่นอนสัสดส่วนมันต้องดีกว่าเคสแรกแน่นอนความสุขความสงบระงับในภายในมันก็ต้องมีมากกว่าส่วนเคสอีกเคสหนึ่งเคสสุดท้ายก็คื อ, อท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่า เป็นไม้แห้งสนิทแล้วก็ไม่จุมน้ำด้วยก็คือไม้เนี่ยก็ไม่จุมน้ำแห้งสนิทดีถ้ามาสีไฟเนี่ยมันเกิดไฟแ น, น่นอนเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโทษของกรรมแล้วภายนอกก็หลีกออกจากกรรมด้วยใจก็คอยที่จะเห็นโทษของกรรมอยู่เนือง พยายามที่จะดึงใจไม่ให้ไปเพลิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกลิ่ น, นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายเซ็นเซอร์เนี่ยมันเห็นแล้วว่าการที่เรามีความยึดติดอยู่ในกามเนี่ยมันทําให้ใจเราเนี่ยมันก็เด้งกลับไปเหมือนเดิมเด้งกลับไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรการที่ใจเรายังเด้งกลับไปยินดีในกามเนี่ยมันทําให้ เราเนี่ยไม่สามารถ hey. well, ที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะมองให้มันเห็นถึงว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มี Bold, มม LES, มมบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาได้อย่างดีทำให้เห็นว่าอันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นบุคคลตัวตนเราเขาได้ปกติแบบกิเลสแล้วก็พอมันเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันก็มีความยึดถือตามสมมติว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีไปเรื่อยตามแบบสมมติ เขาว่าดีเราก็ว่าดีตามเขาเขาว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีตามเขาเขาว่าดีมากๆเราก็ต้องไปหาได้หเหมือนให้มันเหมือนเขาอย่างนี้แต่ถ้าใจเราเนี่ยมองเห็นถึงโทษของการที่เรายึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดติดในกามเราก็ใช้ในแบบที่มันมันเป็นะ่ะซึ่งถ้าเอาให้มัน ถึงแก่นเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าสักมันก็สักแต่ว่าธาตุนะแล้วก็ใช้อะไรใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเน่ยแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่เราไม่เห็นสาระเก่นสารในว่ารูปสิ่งเกลียวสัมผสัสเพราะอะไรเพราะการที่มันตายจากไปการที่เราตายไปอ่ะมันมันก็ไม่ได้ไปกับเรานะถึงเราอยากจะเอามันไปสักเท่าไหร่มันก็ไปกับเราไม่ได้พอตายไปแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระเก่นสารอะไรกับเราแล้วใช่ไหม เพราะนัจริงสาระแกลนสารมันมันไม่มีมันไม่มีพอมันไม่มีพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวส่งเสริมทําให้เราเนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นโทษของการแล้วก็ยิ่งมาส่งเสริมทํำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพิ่มไปอีกมันก็เป็นลูบวนอย่างนี้พอเห็นถึงความไม่มีสาระเก่นสารแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราพยายามที่จะไม่ยึดติดในกามอยากที่จะออกจากกามไป แล้วเราก็ทําให้พัฒนาความรู้ความเห็นทางด้านจิตใจว่าเออมันไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นเพราะการที่เรากลับไปยึดมั่นถือมั่นแบบเก่าชีวิตเราก็จะถอยหลังไปเป็นแบบเก่าไปเป็นแบบที่เราไปเพลินในกามมีความยึดติดในกามเหมือนเดิมแล้วมันก็มีความสุขความทุกข์ในแบบเก่าแต่การที่เราค่อยๆฉีกใจออกมาไม่ยึดติดในกามแล้วก็เห็นถึงความไม่มีสาระเกลียนสาร ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทียงแท้ที่ใจเนี่ยนะมันก็ทำให้เราปล่อยทำให้เราวางทาให้ใจเราปลอดโปร่งเราสบายได้ดีขึ้นมีความสุขในภายในได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะ่ฟั ง, งต้องขยันที่จะทำนะซึ่งการที่เรายังมีความขยัน แต่ขยันน้อยมันก็เลือกเนื่องด้วยสาเหตุค็คือความพอใจความยินดีในรูปแบบเก่าๆวิถีชีวิตเก่าๆมีความสุขในแบบเก่าๆมันก็จะทำให้เราย่อหย่อนทำให้เราไม่สามารถที่จะฉีกตัวออกมาประพฤติปฏิบัติเร่งความเพียรที่จะทำให้เพิ่มความสงบใจเพิ่มศักยภาพในการลดทอนความทุกข์ทางใจ เพระนั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มศักยภาพในการลดทอนความทุกข์ทางใจมีความสุขทางใจที่มันดีขึ้นเนี่ยเงื่อนไขในแบบเก่าๆเงื่อนไขความยินดีในการแบบเก่าๆยึดติดในกวามเก่าๆยึดติดความามีความมัวเมาในแบบเก่าๆมันไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เราพัฒนาไปได้ท่านผู้ฟังเพราะต้องต้องหักนะหักมาทําความสงบมากๆหัดสอนตัวเองให้มันพิจารณาเห็นความเป็นจริงมากๆว่ามันมีสาระจริงๆหรือเปล่า ทำบ่อยๆทำเนืองๆทำแทรกมันลงไปในทุกๆขณะชีวิตของเราถ้าพูดให้มันดีขึ้นไปอีกก็คือแทรกลงไปในทุกๆขณะลมหายใจของเราได้ยิ่งดีเลยท่านฟังถ้าท่านฟังเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรในทำนี้ได้ผลอย่างดีวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากกด Follow ฝากกดแชร์เพื่อที่จะได้แบ่งปัน ความรู้เนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเพื่อที่จะลดทอนความทุกข์เพื่อที่จะพัฒนาความสุขทางด้านจิตใจให้มันดีขึ้นสาหรับวันนี้ลาไปก่อนเจริญพร